بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الثالث عشر ويحتوي على صور الصفات صاد الزمر غافر وفصلت ن ن ب و الصفات بود الصفات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 ซึ่งพวกมันจะถูกขับไล่สายส่งและถูกคว้างด้วยปเปลวเพลิงอันชดช่วงเป็นการตอบโต้คำกล่าวอ้างของพวกยาฮิลิยะในการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่าพวกดินนั้นมีความใกล้ชิดกับอัลล็อบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและการปฏิเสธของพวกมุชวิกีนที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดจนการไม่ยอมเชื่อว่า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 และมาเลย์กาผู้อ่านข้อตักเตือนแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงเอกะอย่างแน่นอนบบาวพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและพระผู้อภิบาลแห่งทิศทางตะวันออก แท้ ي ي ك ك จริงเราได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้อย่างสวยงามด้วยดวงดาวทั้งหลายมมและเพื่อป้องกันัยตอนมารร้ายทุกตัวที่ดื้อรั้นพยศ พวกมันจะไม่สามารถรับฟังจากมาลิกาผู้อยู่ในชั้นฟ้าชั้นสูงได้และพวกมันจะถูกขว้างจากทุกๆด้านถูกขับไล่สายสง่งออกมาและสำหรับพวกมันจะรับการลงโทษอย่างต่อเ น, นึ่ง เว้นแต่ตัวใดที่มันฉกฉวยเอาไปได้แม้แต่ครั้งเดียวก็จะมีเปลวเพิงอาโทษช่วงไล่ติดตามมันไปแต่สักตีห์มือหَุ่อันชด خلق อันมัน خلق เราอินนั้น خلق เราหุ่มในที่นิล ز สิบ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 และเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกพวกเขาก็จะไม่ยอมรับข้อตักเตือนและเมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งปาฏิหาริ์พวกเขาก็ชักชวนกันเยาะเย้ยและพวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากผลันชัดแจ้ง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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใช่แล้วและพวกเจ้ายังจะเป็นผู้อับอายขายหน้าอีกด้วยความจริงมันเป็นเพียงเสียงแผดกล้องเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเขาจะจ้องมอง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 وا وأ จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรมและบรรดาสหายของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะราอื่นจากอัลลอฮ์ด้วยแล้วจงแนะนำทางให้พวกเขาไปสู่ทาง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 แต่นั้นพระดำรัสของพระผู้อภิบาลของเราจึงคู่ควรแก่เราแล้วแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ในลิมรสอย่างแน่นอนเราได้แนะนำให้พวกเจ้าหลงผิดทั้งๆ ท, ที่พวกเราก็หลงผิดอยู่แล้ว แท้จริงพวกเขาในวันนั้นย่อมมีส่วนร่วมในการรับโทษถ้าจริงนั่นแหละเราได้ปฏิบัติต่ตอบรรดาผู้มีความผิด เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าไม่มีพระเจ้าเอื่นใดนอกจากอัลลอ์พวกเขาก็ยิ่งยะโสและพวกเขาจะกล่าวว่าใ้เราทอดทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกเราเพื่อนักกงวีบ้าคนหนึ่งกระนั้นหรือ เปล่าดา๊าเขาม u ว a ม m a ได้ น, นำสัจธรรมมาและเพื่อยืนยันบรรดาศาสนาทูตต่างหากถ้าจริงพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างแน่นอน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 และหน้าที่พวกเขานั้นมีบรรดาหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำมีดวงตาโตสวยงามุมเสมือนพวกนางเป็นไข่มุกถูกคุ้มเปลทเอาไว้แล้วชาวสวรรค์เหล่านั้นบางคนในหมู่บ้าน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 เขาเคยกล่าวว่าแท้จริงเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่นวันเปรตโลกจริงหรือเมื่อเราตายไปแล้วแล้วเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูเราจะถูกตอบแทนจริงหรือเขาชาวสวรรค์กล่าวแก่เพื่อนเพื่ อ, อของเขาว่าพวกเจ้าอยากมองดูไหมเขารราวสราอนเพืนของเขาว่าพวกเจ้าอยากมองดูไหม ครั้นเมื่อเขามองลงไปก็เห็นเพื่อนของเขาอยู่ทํากลางไฟที่ลุกโชนช่วมเขาจึงกล่าวคุณว่าขอสาบตอบลอท่านเกือบจะทําให้ฉันพินาศและหากไม่ใช่ความโปรดปรานจากพระผู้บานของฉันแล้ว ฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนดังนั้นเราจะไม่ตายเว้นแต่การตายของเราครั้งแรกและเราจะไม่ถูกลงโทษขนะดนั้นหนรือแท้จริง นี่คือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพื่อเยลลิ่งการตอบแทนนี้บรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนจงต่อสู้ต่อไปเถ อ, อะ il นั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าหรือว่า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 ผลของมันคล้ายกับหัวของไชต่อนแล้วพวกเขาจะกินมันแล้วพวกเขาจะเติมให้มันเต็มท้องแล้วนอกจากนั้นพวกเขาก็จะได้ดื่มน้ําที่ผสมจากน้ําเดือดุมมาิน แล้วแท้จริงทางกลับของพวกเขานั้นย่อมไปสู่นรกอย่างแน่นอนแท้จริงพวกเขาพบพบบรุษของพวกเขาอยู่ในการหลงผิดแท้จริงพวกเขาพบบรระบรุษของพวกเขาอยู่ในการหลงผิด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 ได้ร้องขอเราดังนั้นผู้ตอบสนองช่างประเสริฐเสียนี่กระรไรและเราได้ช่วยเขาและกลุ่มชนของเขาให้พ้นจากทุกภัยอันมหันและเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู่ลลและเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิ้งไว้แก่กลุ่มชนรุ่นหลังๆความสันติจงมีแด่นัว ในหหมู่ประชาชาาาติทั้งลยลถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย ين, ถ้าจริงเขานัวเป็นคนหนึ่งจากปวงเบาของเราผู้ศรัทธาและเราได้พวกอื่นจมน้ำตาย ب ب และแท้จริงผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของเขานั้นคืออิบรอฮมเมื่อเขาได้เข้าหาพระผู้อภิบาลของเขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อเขาได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่า พวกเจ้าเคารพภักดีอะไรกันเพื่อความเทิดกระนั้นดือ้อที่พวกเจ้าปรารถนาพระเจ้าอื่นจาก ah. าาบบอัลลอี์ ดังนั้นความนึกคิดของพวกเจ้าที่มีต่อพระผู้อภิบาลแห่งสาก ล, ะละโลกจะเป็นอย่างไรเขาอิบราฮิมจึงจ้องมองไปยังดวงดาวทั้งหลายแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงฉันไม่สบายจริงๆบ ดังนั้นพวกเขาจึงหันหลังให้เขาและกลับออกไปแล้วอิบราฮีมก็มุ่งหน้าไปยังเจเวตต่างๆของพวกเขาแล้วพูดว่าพวกเจ้าไม่กินอาหารเหล่านี้บ้างหรือทําไมพวกเจ้าจึงไม่พูดล่ะแล้วเขาก็หันไปตีพวกมันด้วยมือขวา ซึ่่งถืออขวานยูแล้วพวกเขาก็วิ่งมาหาเขาอิบราฮิมจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าแกะสลักมันกระนั้นหรือ ท, ท, ทั้งๆที่ล้อทรงสร้างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าประดิษฐ์มันขึ้นมา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 และอิบริฮิมกล่าวว่าฉันจะไปหาพระผู้ยวยารของฉันแน่นอนพระองค์จะส่งชี้ทางนำให้แก่ฉั น, บบน ال โอ้พระผู้ยิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่ดีๆให้แก่ฉันด้วย ดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขา ว, ว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติคืออิสมาอิล คั้นเมื่อเขาอิสมาอลเติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับเขาได้แล้วอิบราฮิมได้กล่าวขึ้นว่าโอ้ลูกเอ๋ยแท้จริงพ่อได้เห็นในฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าจงคิดดูสิว่าเจ้าเจนเป็นอย่างไร อิสมาอลกล่าวว่าโอพ่อจ๋าพ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถอะหากอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์พ่อจเจนว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้อดทนครั้นเมื่อทั้งสองพ่อลูกได้ยอมจำนวนต่อรอ อิบรฮมได้ให้อิสมาเลความหน้าลงกับพื้นแล้วเราได้เรียกเขาว่าโออิบราฮิ ม, د د اء, นมแน่นอนเจ้าได้ความฝันเป็นจริงแล้วแท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ บ, บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย แท้จริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอนและเราได้ฆ่าถ่ายตัวเขาด้วยสัตว์เชือพลีตัวใหญ่ตัวหนึ่ง และเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด uh ่อ um ิบราฮิมเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงเขาอิบรอฮิม เป็นคนหนึ่งจากพวงเบาของเราผูา้ศรัทธาเราได้แจ้งข่าวดีกับเขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งอิสฮะเป็นนบีคนหนึ่งในหมู่คนดีทั้งหลายเราได้แจ้งข่าวดีกับเขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งอิสฮเป็นนบีคนหนึ่งในหมู่คนดีทั้งหลาย แล้วเราได้ความจำเริญแก่เขาและแก่อิสหาดและในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นมีผู้ทำความดีและผู้อาธรรมต่อตัวเขาเองอย่างชัดแจ้งและโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่มูซาและฮารุและเราได้ช่วยเขาทั้งสอง และกลุ่มชนของเขาทั้งสองให้พ้นจากความเคราะห์กรรมอันใหญ่หลวงและเราได้ช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะและเราได้ประทานคำภีอันชัดเจนแก่เขาทั้งสองและเราได้แนะนำ เขาทั้งสองสู่แนวทางที่เที่ยงตรงถละเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิ้งไว้แก่เขาทั้งสองในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่โมเสและฮารถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย إِنَّهُمَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ال ถ้าจริงเขาต้้งสองเป็นปวงเบาวของเราผูา้ศรัทธาและแท้จริงอุยยัสนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาศาสนาทูตัธกาลรีโควมีอ ت ت ะ و ن ตَตทูนอَตด و นบังลูนั ن ดรูนอัห ن เมื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงอัลละห์พวกเจ้าเคารพสการะบาลันโดยพวกเจ้าทอดทิ้งผู้ทรงเลิศจริงแห่งบรรดาผู้สร้างการะนั้นหรื Allah, ออัลลอฮ์รับบุคุมว่ารับอับาอิคุมอัลลอฮ์คือพระผู้อิบานของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนกาศ ن ن แต่พวกเขาไม่ยอมสรัทธาตออ่ออับเียรของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจะถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนนอกจากวงเบาของ a ล l a h ผู้บริสุทธิ์ใจเท่านั้น และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแดวงวานของยาซีนถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บัดาผู้กระทำความดีทั้งหลายถ้าจริงเขาเป็นคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา ن ن م م م และแท้จริงลูดนั้นเป็นคนหนึ่งจากบรรด า, าศาสนาทูตเมื่อเราได้ช่วยเขาและพ่อพวกของเขาทั้งหมดให้รอดผลนนอกจากหญิงแก่คนหนึ่งที่เหลืออยู่ในหมู่ผู้รังทาย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 และแท้จริงยูนสุสนั้นเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ถูกส่งมาเป็นรอดสูงจงดำลึกขณะที่เขาได้หนีไปยังเรือที่บรรทุกผู้คนเต็มเปรียบ ดัง น, นั้นยูนุสได้เข้าร่วมจับฉลากแล้วเขาก็อยู่ในหมู่ผู้แพ้ในการจับฉลามอกมุสบแล้วปลาตัวใหญ่ได้กลืนเขาแล้วเขาสมควรที่จะถูกตำหนิหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ้องซาดุดีแล้วลวลอ หากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ่สองสาดูดีแล้วแน่นอนเขาจะอยู่ในท้องปลาจุกจนกระทั่งวันถูกให้ฟุ้นขื่นฉี่